เป็นการ 14 ตุลาคม 2538 ที่ เมื่อผู้ใดได้มรดกสมัสโกรมหิกรรมทายาโถเราจะเป็นเจ้าของกรรม ใครไม่อยากทิ้งบาปมึงเนี่ยอยากทิ้งมันดังนั้นน่ะแต่แล้วเป็น ให้ใช้ไม่ได้ทรัพย์มรดกของเราท้วนเต็มแต่เรา ยากแต่เราโอ้มนุษย์นี่เกิดมามันก็ต้องมาอีกโอ้ทุกอย่าง ถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็มีกรรมกับเนี่ยแม้ ปฏิญญาณโพธิสัตว์อาตมาก็อยู่กับกรรมของอาตมากับกาละและอาตมา หาอาตมาจะยังเป็นมนุษย์อยู่อีกจะ ก็ทุกข์ทรมานไปชัดยิ่งจริงโลกรรมนิพพานเราเกิดกรรม นี่แหละเกิดอะไรก็ได้เลยอะไรเกิดอะไรก็ได้เกิดได้เลยเหยียบเอ้าเออได้ ใช่ถ้าทําได้ที่พูดนี่จริงด้วยส่วนนึงจริง เอ่อซัดไปสักมากเลยอ่าเอ่อเหมือนนะอ่าก๋วยเตี๋ยวเอ่อสินใจช้ําเอ่อละรอเหลียวเออล่ายแล้วรอเหลียว คือหลายแล้วรอแล้วเหมือนกันคล้ายกันก็ดีขอให้รู้ก่อนแต่ สู่มันไม่ได้มันมีพลังจริงมันเป็น แล้วเข้าใจแล้วก็ทําบินญาณของเรา บอกตอนนี้จะไม่เหลือพลังงานตนได้หรือจะเหลือต่อไปอีกเพื่อให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกละตอนนี้จะไม่เหลือๆๆ โดยเฉพาะสร้างจิตวิญญาณก่อกําเนิด โดยไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องไป มันจะพูดใดที่ได้สั่งสม มาถึงวันนี้ถ้าใครเข้าใจสภาพ เราจะเข้าใจเมื่อเราพิสูจน์ความจริงแล้วเรา ไอ้อย่างนั้นมันก็ทําเป็นพ่อแบบนั้นน่ะใครไม่เชื่อเนี่ยอาตมาไม่ ไอ้สร้างรูปแบบนั้นน่ะพอที่สร้างมากี่ชาติ <c oughs> มันมีเชื่อต่อเห็นมั้ยเราจะเห็นความจริงจิตปัญญาหรือพลังงาน เป็นนี้แต่ก่อนเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นนรก กำหนดโลกเองจะหมุนจะวน ก็มากําหนดธรรมแต่กุศลโดยความบริสุทธิ์แม้ เราก็ซัพพลายเข้าไปถ้าเกิดเรามีกําลังฮะ นักเรียนคนหนึ่งอายุ 70 กว่าเลยตอบว่าไอ้ใช่สุขโต ไปกับกาละแล้วเราก็ทําสุหรือทํากุศลนี่ทําสิ่ง เพราะเราถ้าให้กิเลสมันดับได้เราก็ทํากุศลได้อย่างปลอด แล้วคุณจะดําเนินไปจนกระทั่งคุณเป็นอภิมนุษย์ๆ ความยิ่งใหญ่ที่สะสมลักษณะสมะไปเรื่อยๆ มนุษย์อยู่ได้กันเป็นสัตว์โครงนี่ เราเรียนรู้ปรมัตถสัจจะหรือๆพระอรหันต์เจ้าจะจบแล้ว ทำกับผู้อื่นเพื่อผู้อื่นคือไม่ใช่เราเลยทํากับสมมุติทั้ง ถ้าคนในระดับอบายมุขมีอยู่แค่นั้นมี พอในหยาบแล้วเค้าก็รู้กันมัน รู้สึกว่าเวลามันอยู่กับที่นะ ไม่มีใครที่จะไปกําหนดไม่มีใครจะดี ไปก็คือคตะคโตดีก็สุใครจะไปอย่างสุขโต แต่ต้องรู้ว่าตัวเองเจริญต้องรู้ว่าตัวเองเจริญใครเจริญมากเท่าไหร่ได้ โอ้ยแต่แหลมต้องไม่หลายแม่บอกค่ะ เราทำดีหมดแล้วทำได้ดีพอแล้วดีกว่านี้ทำไม่ได้อีกแล้วหมดแล้วทำได้ดีพอแล้ว เรียนรู้ความดีที่ๆแต่มันก็ต้องทํานะ ได้พูดมาพอสมควรในจุด ถ้าทำกรรมนั้นให้เป็นสุขตะดำเนินไปกับสุขตะ ที่ปัญญาเป็นประธานสิ่งทั้งปวง พันนี้ไม่ใช่นะพันนี้พระพุทธเจ้าค้นพบแล้ว กรรมจำแนกสัตว์ๆทุกวันนี้ชาวโศกกรรมก็จำแนก นั่นก็จะเป็นนรกสัตว์นรกก็จะเป็นเดรัจฉานบ้างอยู่ใน อย่างนี้เป็นเทวดาเทวดาระดับต่ำระดับสูงอร่อยอยู่งั้นอร่อยก็เป็น แต่ก็คิดว่า วันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะเทศน์เรื่อง ของกายวาจาใจและเรียกว่า นั่นคือกรรมทีนี้ความหลงหรือโมหะเนี่ยหลงหลงผิดก็อธิบายเคยขยายความเรื่องหลงทีนี้ มันไม่รู้ตัวนั่นเรียกว่าหลงมันเผลออ่าหรือ อย่างสมณะอย่างงี้อย่ากระเทําอย่างงี้คนมาเคารพนับถืออ่ายกย่อง นับถือเป็นสิ่งที่เราจะเอาตามทีเดียวถือเป็นสิ่งๆเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราอ่าเป็น เป็นคนที่เกื้อกูลๆเจริญๆแล้วเราก็ครับ อือเราก็แล้ว บูชานับถือนั้นจริงไหมนับถือนั้นจริงมั้ยจริงอาจจะทําดีนิดนึงทีนึง ไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอกตั้งใจดีอ่ะทีเดียวตั้งใจดีอยู่ครั้งเดียว ยาส่วนใหญ่กายวาจาใจถึงใจน่ะทุกอย่างมา กระดูกแขนกระดูกขาเคลื่อนไหวคลิกตรงนั้นพริกตรงนี้อะไรใจเป็นตัว ปฏิจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกธรรมดาแยกกันได้ หรือจะดูตัวอาตมาจริงๆแล้วๆเค้าไม่ๆเค้าไม่ได้เป็นคนเอ่อ ทำทีเป็นแห่เสียสละทำทานใจดีช่วยเหลือแต่แท้จริงมันไม่ใหญ่ๆ มีสถานะเพราะเกิดๆที่มีเวลาอันอยู่ของตัวเอง ทำอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเป็นกรรมกิริยากายวาจาใจที่ อ่ายอมรับนะตัวเองยอมโดยจริงแล้วอย่างนี้นั่นๆไม่อ่ะแต่ตัวเองพอควบคุม ไม่ได้เป็นประจำโดยปกติแล้วก็ทําเออโดยปกติแล้วก็ทําไมไม่หลงตัวเองแล้วก็รับสมอ้างว่าฉันดี รับตําแหน่งว่าบาป บาปก็บาปแพงจริงๆแล้วถ้าๆนะต่อๆใช่มั้ยแต่ค่า ราคามันแพงเหลือรู้ๆ ถ้าๆแล้วนะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ไม่เจริญจะปฏิบัติธรรมให้ตายยัง น่ะ 5 นาที 10 นาที อ่าเสพสมราคะอะไรเสพสมกามเสพสมเนี่ยนะส่วนมากที่ตนเองเป็น ถ้าไม่น่าฉากสําคัญคนๆตามๆออกมาแล้วรับค่าเลย แต่ตัวเองไม่ได้ดังว่ามันไม่ได้เป็นดัง ฟังดีๆดีเป็นอยู่เยอะคนทั้งโลกเนี่ยแหละเป็นอยู่เยอะเขาทําก็เป็นอย่าง ว่าที่ปฏิบัติไม่ดีแล้วแล้วก็กินอะไรของเค้าเหมือนกับกินก้อน นะถ้าดีครึ่งนึงดีครึ่งชั่วครึ่งนึงก็หมายความว่ายัง โดยเฉพาะเนี่ย เป็นสมณะหรือว่าเป็นกูลบูชาแพงๆแพงการบูชา สิ่งที่สมมุติกำหนดๆใจมันอ่ะมันต้องเคารพในร้อยใจจริงมันอ่ะหรือ ไม่ได้เกรงใจหรือไม่เคารพอะไรหรอกอ่ะมันจํานนน่ะมันไม่ได้อยากๆนี่ แม่เค้าหลงเชื่อจริงๆเลยนะจริงๆเราไม่ได้ดีพอ คนหลอกเค้าก็สนิทใจเออแพงราคาแพงค่ามันแพง แต่เค้าก็มาเคารพเรานี่นะราคามันก็ยังทําพอทํานองบาปก็ยังบาปพอทํานอง แถม 2 ด้านเลยบาปเข้าไปๆตั้งใจฟังดี เราๆแล้วแก้ไขเมื่อเรารู้ตัวเราก็แก้ไขก็ เยอะๆมากมายเดี๋ยวอาตมายกตัวอย่างให้ฟังดูๆแล้วก็จะๆที่ไม่เคยตรวจๆมั้ยเค้าให้ค่าความดี เขายกย่องบูชาเราด้วยเดียว เขาขาดทุนมัน 9 9 9 อยู่นั่นแหละตลอดเวลาถ้า ถ้าเกินการก็ไม่ใช่เค้าเอออย่าไปยกเดี๋ยวอย่าไปหลงไหล แล้วเราก็พยายามทําตัวเองดีขึ้นมาๆไอ้นี่ เขาให้ฆ่าเรา 10 บอกให้ 10 เนี่ยให้ถึง 10 ล่ะเราบังคับเค้า 10 ไม่ใช่ความหลงความรู้ 5 10 10 ง, 5 แหละแค่ 2 ตัว 5 แล้วก็ดูตัวแล 2 อก, อ, 10 2 นะ, 5 5 เขาเขา า, 2 ไอ้กรรมกิริยาของคนเนี่ยนะดีมากกว่า 5ๆก็ได้อะไรงี้เป็น ดีแค่ 5 เขาพยายามมันก็เป็นการพัฒนาที่ 5 เข 2นน5 อ่ะ 10 แล้วก็ 10 ด้วย 5ต น. นตาาต ข, ต5 ตัว 10 ตัว 2 ยาก คุณความคุณความดีหรือความชั่วก็ตามนะดีความๆหรือบริสุทธิ์สะอาดนอกจากดีๆๆเรียกว่า ไม่มีอะไรพรางไม่มีอะไรอยากใหญ่อยากโกหกอยากทําให้คนอื่นเข้า เขาเข้าใจแต่เขาจะให้เราเราก็รับไปก็ปลอมเข้าไว้ถ้าเขาเข้าใจอืมอ่ะเค้าก็รู้ เขาอยากให้เราสูงคล้ายๆกันเสร็จแล้วเราก็ต้องพยายามดีๆๆ พิจารณาแล้วก็ไม่พยายามทำความเข้าๆไปเสร็จแล้วก็หลง แล้วก็มาโฆษณาหาทางโฆษณาให้แล้วก็ก็ๆฉม จริงๆเค้ามีเค้าทํากันดูๆคนเชื่อตามเหล่านั้นน่ะ ค่าของคนๆคนนี่โอ้อันนี้ต้องเชื่อฮะทุกอ่าเป็นเครื่องร้อง ยิ่งทําให้ตัวเองนี่เหมือนยิ่งทําเท่าไหร่ยิ่งบาปบาปบาปนี้ เขาไม่รู้โดยจะพอเนี่ย เขาบอกโอ้คนนี้มีฝีมือเพราะคนไม่ได้ไปโกงเค้านี่เค้า ที่อาตมาบอกทฤษฎีกําไรขาดทุนของอารยชนขึ้นมาเนี่ยเออเค้า เพราะจําเป็นที่คนอื่นจะต้องประมูลหรือว่าเพิ่มราคา <kar os. S 2> ในเรื่องของราคาๆแล้วเราก็ค่อยๆเข้า มันเป็นเรื่องที่น่าสงสารเป็นเรื่องที่น่าเวทนาโอ้เขาทําเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็น ยิ่งแกงยิ่งคิดราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นและยิ่งๆๆ เขาเป็นการเอาเปรียบในสังคมว่าอย่างนี้เป็นสุจริตอืมในการเอาเปรียบในสังคม เขาถ้าเขาจะให้ราคาเขาเราแพงให้ค่าเราเองถ้าเขาจะให้ราคาของเราแพงเราก็กลับ ยิ่งเราจริงใจแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าจริงเค้า มันไม่บาปนะมันมีแต่ได้เสียสละมันได้บุญนะ จุดสําคัญที่มันจะหลง 20 20 ะ, 40 นะ า, เลย, เลย เลย, ออ40 ว, 40 เลย ค่าตัวเอง 20 ยังไม่ถึงเลยคน นะพอเนี่ยโลกมันทึกประกอบไปด้วยบาปคนที่ไม่ การที่ยืนยัน